من الشيطان ا ج ي م ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم. أصبى البنات على البني. أصبى البنات على البني. บาตากุม ว้า ตักทรูและเราอุทิศต่อพระเจ้าจากความชั่วร้าะท่านวันรู้กั้นทีเละ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 รับบีอาอุบุบิค์มิ่งอาดับ ا มฟินน ا รีว่าดับิมฟิลควบรีอัลลอฮุมะฟาฟิร์ษมะวะติวัลอะร์อาลิมัลกัยบิวัลชาฮะดารับบีคุลลิชัยอุมัลีค์ะ أش ดุอัลลอฮิอิลลาห์อิลลั่อัตต์อาอุบุบิค์มิ่งชัลลินับซีว่าชัลลิอิชัยตานีว่าชัลทีว่าอันอัควตาร์ฟะล่าหนับซีชูอันอว่าจุรรุห لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ووعلى كل شيء قدير ربي أ س أ ل ك خير ما في هذا اليوم بخير ما بعد ع ب ع د ه ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ฮัมดุลิลลาพี่น้องที่วมนมาสโบ์ที่มัสยิดอันวาลิสุนนะครับที่คอเกรตที่รักทั้งหลายกับและพี่น้องที่ติดตามรายการตับเชล์โกลอานที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านนะครับและพี่น้องที่ติดตามอยู่ที่ตลาดนะครับนั่งอยู่ที่ตลาดฮัมดุลิลลาดูความเมตตาของอัลลอฮ์ سبحانه และุสุต้าล่านะครับเราให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้เมื่อช่ความบังเกิน ไม่ใช่ความบังเอิญเพราะในอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์สอนผ่านนาดีให้มันเล่าให้วเราฟังว่าความบังเอิญในอิสลามเนี่ยไม่มีความบังเอิญไม่มีมีไปทั้งหมดนั้นเป็นไปตามที่อัลลอฮ์กำหนดแล้วก็ชีวิตของเราเนี่ยไม่มีคําว่าสายต้องเข้าใจนะว่าฉันนี่แกแล้ว จะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีไม่ได้แล้วไม่มีครับไม่มีคำว่าสายสามารถคนที่ทำความผิดอะไรมาก็ตามจะผิดมากี่ปีก็ตา่างสามารถกลับตัวได้ตลอดเวลาที่วิญญาณยังไม่มาถึงคอหอยกลับตัวได้ตลอดเวลา หรืออย่างหนึ่งดวงอาทิตย์ยังไม่โผล่ทางทิศตะวันตะวันตกให้กลับตัวได้ตลอดเวลาการกลับตัวนี่มาตกลงทุนเลยเพีกกันเลิกเลิกทำชั่วทำให้กลับตัวเนี่ยเหนื่อยชั่วกว่าทำดีกว่าทำเหนื่อย ถ้ากลับตัวแล้วว่าเลิกความชั่วให้หมดทําแต่ของดีๆที่เอาล้อสั่งเนี่ยเหนื่อยลงมาเบาไหมก็เบาอ่ะถ้าเป็นคนชั่วน ะ, ะเบียร์ก็กินเหล้า ก, ก็กินทะเลาะ ก, กับคนก็ตบเมียดา่าเมียทะเลาะ ก, กับพ่อแม่เหนื่อยอะ่ะถ้าเลิกชั่วให้หมดและทําแต่ของดีๆฉันอยู่กับกูรานฉันอยู่กับนมาฉันอยู่กับมัสยิด ลดงานไปทั้งเต็มเลยทาไมไม่ใช่ปัญญาขอบคุณเราล้อกับที่เราได้อ่านกูนอ่านพระคุณอ่านนี้สอนเราคุณอ่านที่สอนเร า, อาสอนเตือนเราตรราลอดเวลาขอบคุณเราล้อนะครับที่เรามานั่งฟังกูนอ่านกับเสกพูอ่านในปีนี้เป็นปีที่สามสิบสสิบแปดเลยผมได้สาวสิบเจ็ดสิบรอบ มาถึงโซโล่อซฟราก็ต้อเอาสาบด้วยนะนึกถึงคำว่าโอฟา้าเนี่ยวตัง้งตั้งแถวเราไม่ต้องตั้งแถวทุกวันใช่หรือไม่ใช่วันละห้าเวลาการตั้งแถวก็เป็นศาสนามีรางวัลตอบแทนจากอาลัลลอ์ด้วยตั้งแถวแบบไหนให้อลัลลอ์ประทานรางวัลให้นมาต่บ้านกับนมาต่มัสยิด ต, ต่างกันเยอะ และผละบุญของคนที่มานม า, าที่มัสยิดนี่อัลลอฮ์ให้ช่วงไหนหรึเปล่าช่วงตอนเดินมามเดินออกมาจากบ้านมามัสยิดให้ละวัลตรงนั้นแล้วก็รางวันตอนเข้ามัสยิดพร้อมกับเข้าโดยเท้าอะไรเท้าวขวาแล้วอ่านดวงอัลลอฮุมมัฟตัฮลีอบบาบาระห์ม um ah ัดิกลผลบุญอยู่ตรงนั้นแต่เดินเข้ามัสยิดอีกมีดวงอ่านอีก Allah ุมห์มัตินีอัฟโดลมาตูที่อย่างอิบาอสให้มาตั้งเข้าแถวต้องดูแถวอีกว่าชิดกันหรือเปล่ามีรางวาัลในตอนก้มดูนะมีอีกนี่คืออิสลามแั้วหมดเลยแต่นั้นไม่มีอะไรทุกการเคลื่อนไหวของผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์ต้องนึกถึงนบีนะฉันเคลื่อนไหวแต่ละแต่ละเนี่ยแต่ละการเคลื่อนไหวเนี่ยพยายามไปตรงกับที่สุนานะนบีสอน มีรางวัลตอบแทนจากอลอฟเลยตั้แถวชิดกันกับมี ร, งรางวัลระวังกําลังน้ำมาอยู่แถวมันหางไปขยับไปไปให้มันใกล้อีนิดหนึ่งก็มีรางวัลน่ะแต่บางคนไม่เข้าใจอะมันก็กระโถมาทําอะไรกูจอรำรำคาญมันคนไม่เข้าใจแล้วก็ต้องให้เอภัยก่อนนะห้ามเด็ดเลยวันนี้มาถึงเอ่อ อายาที่หนึ่งรอยห้าสิบสามเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยกุรอานสอนเรานะอลัลลอฮ์สอนเรานะอลัลลอฮ์เล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังเรื่องนบีอะไรนะที่ผ่านมาเนี่ย น, บ, ย น, <c oughs> นบียูนุสอ่านบียูนุสนี่เป็นข้อเตือนใจที่ดีที่สุด เป็น้องอ่านกุณอ่านเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่มีอยู่ศัพท์อยู่คำหนึง่งบากออาบากอแปลวันหนีเนี่ยใช่ไหมอาบากออาอาบากอแปลวันหนีห <c oughs> นีงานศาสนานะ่ะดีรืดดีรือไม่ดีรื้หรือว่าไม่ดีห <c oughs> นีจากเจ้านายากุณอ่านกตํัหนีอาบากอแปลวันหนี <c oughs> เอาดูสับแต่ละคำแต่ละคำนบีนองอัลลอฮ์นี่นมันช่วยได้หมดเลยนะ่ะเสร็จแล้วก่อนหนีตอนนบียูนุสหนีเนี่ยต้องในใจนึกอัลลอฮ์ก็รู้นึกว่าอัลลอฮ์เนี่ยคงจะไม่ทำให้ฉันลำบากอัลลอฮ์เล่าให้นบีุ ม, มาดฟังยูนุสคิดผิดแล้วก็ให้เจอปัญหาใช่ไหมต้องออกจากเรือ เราก็ให้ปลามากืนและสั่งมาให้ปลาคลายอีก็ฮู้เนี่ยประวัติตามมาเต็มเลยใช่ไหมทําอะไรผิดนิดเดียวยังไงวะน่ะเรื่องราวตามมาเหนื่อยนั่นน่ะแต่เหนื่อยแบบไหนมีรางวัลกับเหนื่อยแบบไหนไม่มีรางวัลแต่นั้นเองปลามาคายพอมาคายเสร็จแล้วเนี่ยในคัมภีร์อ่าอธิบายตรงนั้นพระอัมบัตนาดูด้อายาไหนบ้างที่ที่ผ่านมาพระอัมบัตนาเราได้ให้ ต้นไม้ชนิดหนึ่งเนี่ยงอกขึ้นมาแล้วก็ชื่อต้นไม้เนี่ยอัลลอฮ์บอกเอกยักตีนอายาที่หนึ่งสี่สหว่าอัมบัสนาลัยฮิชาดารตัมมียักตีนและเราอัลลอฮ์ได้ให้มีพันไม้เลือ้อย ชาญาร้อนเนี่ยมียากตีนพันไม้เลื้อยเนี่ยงอกขึ้นมานะครับแล้วก็ใบมันนี่นะมาปกคลุมเขาเนี่ยเราเล่าให้ฟังให้ตน้นต้นไม้ชาญาร้อนเนี่ยตามตามไอ้ตามตามศัพท์เนี่ยไม่มีอลิฟลามแปลว่าหลายต้นอ่า มีต้นไม้หลต้นขึ้นมาแล้วชื่อต้นไม้อะไรนะยักษ์กตีนเนี่ยแปลว่าต้นน้ําเต้านาบีก็มาสอนต่ออีกน้ําเต้านี่ฉันชอบนะผมก็ชอบน้ำเต้าด้าวยเมื่อก่อผมก็ไม่ชอบหรอกพออ่านเจออ๋อนบีชอบรเรีย น, เ ร, ย น, เ, รยนเรียนแบบนบีงไงชอบน้ําเต้าเพราะเรียนชีวิตนบีเราได้คุ้นใจความรู้เยอะนบี ไม่โกรธคนเราก็พยายามไม่โกรธนะนบีใหาาา้อภัยเราก็ให้อภัยตามนบีนบีลูกขึ้นมาา uh นมาตะขัดยุทธเราก็พยายามฝึกพยายามลูกขึ้นนมาตะขัดยุทธนบีมาณนมาที่มัสยิดไม่เคยขาดเราก็พยายามฝึกตัวเราให้มานามาที่มสัสยิดพยายาม lime. ขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปให้กล้าเชิดกรธท่นานนัดีให้มากที่สุดแล้ ว, ลวก็บรราการมันอยู่ตรงนั้น าวันนี้มาสอุอรอที่ที่ห <c oughs> นึ่งรอยห้าสิบสาม astafal banat al ั l b a n i n astafal b อัลฮัมดุลิลละอ่นานอย่างเดียวเนี่ยต้องรู้ประวัติด้วยอ่าถ้ารู้ประวัติไปที่ไปที่มาของมันเนี่ยจะดีมากเอามาดูสับก่อน อัสตอฟาแปลว่าเขามาถึงอัลลอ์เนี่ยได้ทรงเลือกอิสตอฟาแปลว่าเลือกอได้เลือกอัลบาเตแปลว่าลูกสาวอัลบานีนมแปลว่าลูกชาย คืออากีดะของชาวอาหรับมุชริกในนครมักกะต้องนึกภาพตรงนั้นก่อนคนอาหรับในนครมักกะเนี่ยญาติญาตินบีทั้งหมดเนี่ยเขาสอนกันตามบ้านเลยนะสอนว่าอลัลลอ์เนี่ยมีลูกและลูกอลัลลอ์น่ะมาลายกาอัอลลอ์เนี่ยเลือกให้มาลายกาเนี่ยเป็นลูกสาวอลัลลอ์ เขาสอนกันในบ้านเลยพออัลลอฮ์แต่งตั้งนบีมุฮัมมัดมานาบีก็มาสอนอิสลามที่มัสยิดต่างกันไหม <c oughs> นบีมาสอนอิสลามี่มัสยิดแล้วก็เดินไปตามบ้านด้วยก็ถุงด้อีกนบีมาสอนแล้วว่าอัลลอ์มีองค์เดียวกูรูว่าัลลอฮ์อา حد อัลลอฮ์สวามสาอัลลอ์เป็นที่พึ่งละมยาลิดอัลลอ์ไม่มีลูก อัลลอฮ์ไม่ประสูตและไม่ถูกประสูตชาวบ้านคนอาหรับเนี่ยเขาบอกอัลลอฮนะ์มีลูกสาวขัดกันยังนบีน่ยสอนอย่างหนึ่งความนาบีเอาความรู้จากจากชั้นฟาจากอัลลอฮ์เนี่ยมาสอนที่มัสยิดแต่ชาวบ้านเนี่ยขาวความรู้เอามาจากบุญญาตายายต่างกันไหมอ่ะเอาความรู้ผ่านบุญญาตายายสอน ให้ลูกหลานฟังว่าอลัลลอฮ์มีลูกสาวนะเป็นมาลาอิกะอลัลลอฮ์เงาอลัลลอฮ์จะต้องมีต้องมีลูกมาเป็นที่ปุกษามาเป็นคุยเอาชีวิตของเขาเนี่ยมาเทียบกับอลัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาถามว่าเทียบกับอลัลลอฮ์เนี่ยได้หรือไม่ได้ไม่ได้วะรำยะกุลละหูกูฟวันนะฮะอัลลอฮ์ไม่เหมือนกับอะไรเลยบนโลกใบนี้ กว่าจะสอนเรื่องนี้เข้าใจนะยากหนะออนาลอวักวนบีมาแล้วตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เท่าไหร่พันสี่ร้อยกว่าปีพวกเราในเมืองไทยนี่ยังยึดอัลลอฮ์แล้วยึดสิ่งอื่นพวกอัลลอฮ์มีไหมเอาโต๊ะตะเกียเนี่ยมาได้ยังไงอะโต๊ะระยองมาได้ยังไงทงั้งทั้งที่คบก็สอนมาที่มัสยิดตัวอัลลอฮ์มีองค์เดียวนะอย่าตั้งพาคีย ก, กับอัลลอฮ์นะ ยังมีตอตะเกียร์โผล่ขึ้นมาอีกฮะแล้วก็คนที่ไปหาตอตะเกียร์นะมุสลิมหมดเลยอ่ะปกครอบาลกันแน่นเปียคุมทิยาเป็นหมดเลยเดินไปแต่ว่าติดตอตะเกียร์แล้วเข้าใจว่าตอตะเกียร์ช่วยได้มันก็ไม่ต่างอะไรกับพวกคริสเตียนที่ว่านาบีอีซาเป็นลูกอลัลลอฮ์เนี่ยเหมือนกันไหมมันก็เหมือนกันไอ้นี่ยึดตอตะเกียร์ เป็นคนกระมัดเป็นคนประเสริฐเป็นคนดีขอหนอาจากอัลลอฮ์แล้วมางทีอัลลอฮ์ให้ช้าไปหน่อยไปหาตตะเกียร์ดีกว่าให้ตะเกียร์ช่วยขออีกทีหนึ่งไปหาคนถ้าคนตายแล้วไปหาคนตายไม่ได้นี่นบีมาสอนแต่เขาอก่อนตายเนี่ยได้ไหมก่อนตายได้เลยถ้าตายแล้วเนี่ยไปหาที่กูโบโขเขาแต่ขอร้อง แช่จ๋าโตจ๋าช่วยขอดุอาให้ฉันหน่อยท่านอ่ะช่วยขอจะ อ, อให้ฉันหน่อยไปหาคนตายที่กูโบเนี่ยห้ามนี่น บ, บีมาสอนว่าจะเข้าใจเรื่องนี้ใช่เวลาเท่าไหรน่นี่มันพันกว่าปีเรายู่คนยังไม่เข้าใจเลยนะเพราะเรามีบางคนสอนที่สุราเหมือนกันไปหาโตตะเกียรได้ใช่ไหมไปหาใครนะ่ะเอาเอัลิมัดมาผูกได้ ไปหาหมอดูได้เพราะบางคนสอนอยู่น่มันก็แข่งกับนบีมาตลอดแคะท่านการสอนสาศาสนาเนี่ยหยุดได้ไหมหยุดไม่ได้พอหยุดเมื่อไหร่ก็บิดามันก็เพิ่มขึ้นชิริกก็เพิ่มขึ้นของฮารามก็เพิ่มขึ้นมันก็ต้องสอนกันตลอดเวลา a ั t a f บ l b a n a อ i r al banin นี่พวกอาบมักการ น, นี่นะมีอัลนละอฮ์เล่าให้นบีฟังว่าญาติพี่น้องนบีนั้คิดอะไรเล่าให้นบีฟังพวกเข่าวบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงเลือกลูกสาวแทนลูกผู้ชายเนี่ยอัลลอฮ์ถามให้นบีถามว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้ทรงเลือกลูกสาวแทนลูกผู้ชายกันนั้นหรืออัลลอฮ์มีลูกเหรอไม่มีลองถามญาติพี่น้องนบีนะั่นแหละบอกว่า พวกอาหรับญาติตอนเองว่านะอัลลอฮ์มีลูกและพูดว่าอัลลอฮ์เนี่ยเลือกลูกเลือกลูกผู้ผู้หญิงแทนลูกผู้ชายก็หกทั้งหมดและภาษาที่ออกมาจากปากญาติพี่น้องนบีเรื่องอัลลอฮ์มีลูกถามว่าล้อกโกรธหรือไม่โกรธโกรธครับถามว่าทำลายหรือไม่ทําลายยังไม่ทําลายอ่ะถัาเป็นนบียุคก่อนเนี่ยนะ ทำลายไหมพอสอนไปสอนไปทําลายเลยให้แผ่นดินไหวให้น้ําท่วมให้เสียงกับนนั่นลงมาตายอ่ะอ่ะฟาโรตายได้ไม่ตายกอรุณรวยไหมรวยตายได้ไม่ตายนี่นะเล่าให้ฟังบอกมาหนาะเล่ามาหนาะเล่าให้พี่น้องฟังนะเล่าพี่น้องฟังนะไอ้นี่ก็เหมือนกันเรื่องอัคีดาผิดนี่นะ เองก็ไม่รอดเหมือนกันนะแต่ไม่รีบร่มโทษในยุค ข, ของนบี ม, มุฮัมมัดก็ไม่นั้นคนที่กินเล่ากินยามรรเรามีเปล่าไม่ไม่นมาตลูกเรามีเปล่าลูกหลานเราหนาะ ม, ม, มิมีทั้งหมดนั่นแหละก็ทําทไงอะ่ะแล้วก็ช่วยกันสอนเนี่ยอบรมกันถามว่าคนโอรมในถูกดาา่าเปล่าเอาล่ะเปิดรบรมกระถูกดา่า เสียงดังเล่มหนึ่งก็ด่าแล้วกูจะนอนเปิดมาร์โฟนดังทำไมนำมาอาซาเสียงดังก็ถูกดา่าก็เคทโทษสาปมหาผมผมรู้โอ้โหนี่เสียงอาซานน่ะมันได้ให้เกียรติกันเลยเนี่นยนะพอด่าเสร็จแล้วก็อีกสักเดือนหนึ่งบอกว่าไม่ใช่โเราวท่านเป็นโเราวอื่นอัลฮัมดุลิลลา น, นี้คาว่าอัลฟาในปลว่าเลือกผมเช็คในคัมภีรุณอ่านนะคำว่าอิสตอฟาเนี่ ย, ม, นะนนะยมีอยู่กี่ครั้งในคัมภีรุณอานมีประมาณสี่ครั้งสี่ครั้งอ่าอัลล์เลือกอัลลอ์เลือกอัลล์เลือกอัลล์เลือกขอเล่าเรื่องเรื่องเดียวนะอัลล์เนี่ยเลือกอิสลามอ่า เลือกอิสลามนะครับอัลลอฮ์ให้เป็นศาสนาของใครของมนุษยชาติอินน ah, um ัลลอฮ์ัสตอฟาอัลลอฮ์หกบัดลาคุมุดดีนแท้จริงอัลลอฮ์ได้เลือกศาสนาให้กับพวกท่านเราเนี่ยอัลลอฮ์เมตตาขนาดไหนนะครับเพราะศาสนาเป็นทางนำสำหรับชีวิตอัลลอฮ์เล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังให้นบีมาสอนว่า อินนลอฮัสตอฟะละกุมุดีนเราเนี่ยได้เลือกศาสนาศาสนาอิสลามเป็นของใครของอัลลอ์อัลล์เล่าให้นบีฟังอัลลอฮ์ได้เลือกศาสนาอิสลามให้แก่ท่านทั้งหลายฟานะตะมูตุนนะย่าตายนะอิลลาวอัลตุมมุสลิมูนจนกว่าท่านทั้งหลายจะเป็นมุสลิมที่ดีเสียก่อน ทีต้องสังเกตนะตายเกิดกับตายเนี่ยเกิดอะไรไม่ได้พูดว่าให้เลือกให้เลือกเกิดไม่ได้พูดแต่มาอยู่บนโลกดุญญนยาใบนี้ก่อนตายเนี่ยให้มีศาสนาใชเห็นยังน่าคิดมากเลยนะตอนเกิดไม่ไม่ไไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเลือกเอกิดครอบครัวนี้นะเลือกเกิดครอบครัวนี้นะ เลือกเกิดอยู่อยูในหมู่บ้านนี้นะเลือกเกิดอยู่ในอาหรับนะไม่ได้พูดเลยเกิดที่ไหนก็ได้พอเกิดมาแล้วอลัลลอฮ์สั่งอินนัลลอฮ์ฮัสตอฟะและกุมุดีเมื่อเกิดมาแล้วต้องเรียนครับอยู่เฉยๆไม่ได้มุสลิมต้องเรียนถาม น, นาบีเนี่ยเรียนนังไงเรียนนบีไม่ได้เรียนนะแต่อลัลลอฮ์ให้ความรู้ผ่านนาบีมานะี่ยเหมือนเรียนเลยไนงะใช่ไหมนะ ยิบรีมาดนหัวใจ อ, อัลลอ์หัวใจท่านนาบีจำเลยนะ่ละลรากงอ่านทั้งหมดเนี่ยอยู่ในใจนบีหมดเลยใช่หรือไม่ใช่ท่า น, นเราพู ด, ดเต็มปากว่าฮาริสคนแรกของโลกนะใคร <c oughs> นบีมอมัดและภรรยานาบีทุกคนอ่านกุงอ่านหมดอพูดอีกทีหนึ่งเข้าใจง่ายๆคนในสมัยซาบา น, นาบีเขาอ่านหนังสือกี่เล่ม เล่มเดียวแล้วไปไหนไปสวรรค์กันหมดเรามาดูพวกเราวันนี้อ่านหนังสือกีเล่นจบดอกเตออ่านอ่านกีแล่นอ่และอ่านภาษาอังกฤษด้วยนะกูอานอ่านไปไม่ไ้อ่านเลยอ่ะแล้วปลอดภัยเหรอุณเชื่อคุณปลอดภัยใช่ไหมกูอานไม่ไม่อ่านเลยกูอ่านไม่จับเลยน่ะ จ, จต่เป็นหนังสือที่ยะฮูดีป้อนกับมาในมหาวิทยาลัยมันล้ามสมองหมดแล้วโอ้โหถ้าจบ oh. ด็อกเตอร์อ่ะมันมีปัญหาตนะ่อกาเองตัวอ่านกุรอานด้วยนะเพราะกุรอานนั่นเป็นตัวช่วยให้คุณรอดเวลาตะมูตุ้นนะท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งตายอินลาวะอันตุมมุสลิมลจนกระท่าท่านทั้งหลายจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยตายอ่ะคิดจงนางดทีด่ใช่หรไม่ใช่ เป็นราชาีใช่ไหมในยุคใครยุคนบีสุลัยมานแล้วก็คนที่มามาบอกนบีสุลัยมานให้ไปสอนนางเ็นกิสนาใครนกนึกภาพใช่ไหมตอนทินก็กลับกลับไปสอนรับอิสลามไหมรับอย่างเงี้ยปลอดภัยไหมล่ะฉะนั้นวันนี้ใครตายในสาภาพที่ไม่รู้จักอัลลห ใครตายที่ในสภาพที่ไม่รู้จักนบีมุฮัมมัดตายไม่ไรู้จักรอซูลซึ่งคําถามนี้เราจะถามตอนนั้นอยู่ในกุโบมนมารอบบูกะมันนบียูกัมันอิมามบูกะรู้จักอันรอบเปล่ารู้จักนบีมบุฮัมมัดเปล่านบีตั้งร้อยแสนนะไม่ถามถามคนเดียวรู้จักมุฮัมมัดเปล่าเห็นไหมท่านนาบีมันสําคัญขนาดไหนพี่น้องครับ ชีวิตเราต้องผูกพันกับนบีมุฮัมลลมัดสุลลัลอะลัยฮุสันละหถึงจะปลอดภัยถ้างั้นไม่ปลอดภัยอันมาเชื่อลองตายดู <c oughs> อลัลลอฮ์คือใครนบีมุฮัมมัดคือใครกุรอานคืออะไรถ้าสามยามนี้ผ่าน น, ะนอนกินนกโบวผ่านไหม อ, อ, อัลลอฮฺอกุบัตผ่านหมดเลยเห็นยังครับฉะนั้นเวลาตะมูตุนนะอิ ล, ลวะ อ, อันตุมมุสลิมุนท่านั้งหลาเอย่าเพิ่งตายนะเลือกตายได้ไหมได้ เลือกตายแบบมุสลิมก็เลือกตายแบบไม่อามุสลิมได้เลือกได้เลืออยู่ที่ตัวอัลลอ์ให้แล้วให้อายุขายมาแล้วหลังนักอ่านก็พูดพูดอย่างนี้คุณไม่ได้ใช้ใช้สมองเลยฉันให้อายุคุณงยาวบางคนยาวต่าไหลรู้ไ่มเจ็ดสิบปีมีใช่ไหมแปดสิบปีมี แต่ Allah เ, เล่าให้ในาบีฟังคนกาเฟตคนมุสลิกอยากมีชีวิตยาวพันปีแล่ Allah ถามว่าฉันให้บ้านคุณให้รถคุณชายให้มีเงินให้มีนู่นมีนี่เต็มไปหมดน่ะเป็นความสุขความเป็นความสบายความสุขความสบายที่คุณได้รับมาสี่สิบปียกตัวอย่างอย่าฟาโรเนี่ยอยู่ในวังมาตลอดเลยนะไม่เคยลำบากเลยทั้งชีวิตนะไอ่ก็ไม่เคยไอหวัดไม่เคยเป็นนะ่ะ ไอ้ความสุขสบายที่อยู่ในวางมาะกินอาหารอร่อยอร่อยและกอดผู้หญิงเลือกถิงแบบไหนก็ได้เนี่ยถ้าว่าความสุขตรงนั้นเนี่ยเวลาเจออาสาบเนี่ยเอาไปช่วยได้ไหมที่คุณอ่านสอนอะ่ะใช่เลยช่วยไม่ได้จริงๆเลยนะความสุขความสบายชีวิตที่มีแต่เรื่องสุขสบายนอนที่นอนนิ่มๆกินอาหารอร่อยอร่อยมีคนป้อนหน้าป้อหลัง มีไปไหนมาไหนมีคนบริการเต็มที่นั่นเป็นความสุขทุกคนอยากได้หมดใช่ไหมอัลลอ์ถามต่อไปอีกเวลาเองเจออาลาบในกูโบโถามว่าความสุขที่คุณได้รับมาสี่สิบปีนี่ช่วยแก้ปัญหาคุณได้ไหมคํับตอบได้หรือไม่ได้ไม่ได้ของที่ช่วยได้อิมานต่ออัลลอ์อิมานต่ อ, Allah, อ, ตอรัสูลอิมานต่อคําพี่ อิมาตัวเมลอกกอิมาตวันสินลกอิมาหัฎกดหประการนี้เป็นตัวช่วยอัลล์เห็นยังครับนบีมันเปิดสมองแล้วนะลลอฮ์ฮัมดุลิลละอยู่บดวงในี่อยู่ย่างรให้มันสง่างามนี่แหละเดตามนบีเดตามัลกุรอนตลงว่าอัลล์เลือกศาสนาอินนัลลอฮฮัสตัฟะลักุมดีนฟาลาตัมูตุนอิลลาวันตุมุสลิม แต่คนอาหรับมุชริกน่ะเลือกเหมือนกันเลือกให้อลลอฮ์มีลูกผู้หญิงไปมาไอไรก็อัลลอฮ์โกรธนะครับอัลอม์ถาที่ห้สบสมาละกุมไกฟตักกุมูนมาละกุมไกฟตักกุมูนอัลลอฮ์ถามถามเล่าให้ให้เล่าให้นบีฟัง เป็นอะไรไปแก่แก่พวกท่านมาละกุมนี่แปลว่าเป็นอะไรไปกับพวกท่านมาละกุมต่ออันยุดด้วยนะมาละกุมอันยุดตรงนี้คนรู้ความหมายมาละกุมเป็นอะไรไปพวกคุนไกฟะตะกุมูพวกท่านตัดสินอย่างนี้เหรอตัดสินให้อัลลอฮ์มีลูกเนะี่ยมันบาปนะ เป็นความผิดอันร้ายแรงมากเลยเป็นอัคดีดาที่ผิดมากเลยนะที่ตัดสินว่าอลัลลอฮ์มีลูกนะว่าอลัลลอฮ์มีลูกสาวเป็นมล า, ายการนะผิดอย่างแรงเลยอถ้าจะเท่าความก็พวกพี่น้องชานอสอรอเตยึดนบีอีสาเป็นลูกนี่ก็ระวังเดี๋มาผิดนะแต่อลัลลอฮ์พูดผ่านนาบีมุฮัมมัดมนะจานั้นขนาดยึดผิดผิดนี่อลัลลอฮ์ยังเลี้ยงใช่ไหมไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ละ ขนาดยิดผิดมาทาั้งชีวิตของคุณเนี่ยให้บ้านมาให้รถมาให้ตำแหน่งมาให้ตำแหน่งฝรวัรวสรวสอเงินเดือนนับไปที่เท่าไรก็เอาไ ป, าไาาไปแต่เตือนนะฉันให้แกกี่โลกโลกเดียวให้เฉพาะโลกดุนยาใบนี้โลกอาคีราดได้ไหมไม่มีสิทธิ์ครับฉะนั้นโลกดุนยาใบนี้นะ่มันพเพลินนะผมนั่งคิดอยู่เหมือนกันนะ ของที่อัลลอฮ์ให้บนดุงยาไปนี้นะไม่เอาศาสนาเลยเนะี่ยอยู่อยู่ได้ไหมโอ้โหอร่อยจริงๆอ่ะเงินเพิ่นได้ไม่เพินฉันมีที่ห้าสิบไร่ยังไม่ได้ขายสักไร่นึงภูมิใจอ่ะใช้ได้ไม่ได้ฉันนี่อืมชั้นหนึ่งเลยนะครอบครัวฉันนี่เชื่อฉันหมดที่ห้ามขายหมดห้ามขายก็ขายก็ไม่ขายหมายว่าอะไร เอ็งจสกัดเปล่าอ่ามันต้องนึกตรงนี้ไงเอ็งจสกัดเปล่าเอ็งน้ำมาหรือเปล่าเอ็งขอบคุณอัลลอฮ์เปล่าเอ็งสู้ยุติ์ต่ออัลลอฮ์หรือเปล่าทำดีกับพ่อแม่หรือเปล่าเงินก็เอาไปสิแล้วไม่รว่าอะไรเอาไปสินี่ไงอยู่บนดุนยานี่ยนะไม่เอาอิสลามถามว่าเพลินไม่เพลินเพลินกับเพลินกับเงินเพลินกับที่ดินเพลินกับรถเพลินกับบ้าน เพลินกับภรรยาสวยๆไม่ต้องแต่งก็ได้อะไปเลยอ่ะแล้วก็เพลินหมดเลยล่ะแล้วลพอตายไปยังไงอัลลอฮฺอะยาอัลลอฮฺรูบามายาวั ด, ดุลลาฮีนักฟารูแล้วกันูมุสลิมีคนกาเฟสพอตายแล้วบนวันเัื่งไม่รู้ว่ากี่ล้านครั้งอัลลอฮฺจะถ้ารู้อย่างนี้เป็นมุสลิมก่อนตายก็จะดี <c oughs> เห็นยังครับ มาละกุมไก่ฟ้ตาโกมูเป็นอะไรไปกับพวกท่านแล้วพวกท่านเนี่ยตัดสินกันอย่างนี้หรือเพื่อพูดง่ายๆก็คุณนะ่ะบ้าไปแล้วอันนี้ภาษาอูดุรุกว่าเสียสติแล้วคุณนะ่ะ ด, ดีมากคอรับพวกีแกบ้าไปแล้วมาจยูนู่ไปแล้วคนที่คิดว่าอลัลลอฮ์มีลูกสาวนะแล้วก็ให้นะีอีซาเป็นลูกผู้ชายของอลัลลอฮ์เนี่ยนะ เองคิดผิดทั้งหมดและเองในบ้าสักเสียเสียสติไปแล้วแต่อารรถไม่ให้เสียจริงๆแต่ให้ใช้ปัญญาต่อมายตินห้าสิบห5าอะฟาราตาตาจักคารุนอะฟาราตาตักคารุนตาลัก ก, ด ก, กัดเนี่ยแปลว่าไข้ครควร ตัวร้องว่ามุสลิมคนในโลกใบนี้ที่เอาลองให้ปัญญามาเนี่ยต้องเอาปัญญามาตะกักกัดมาใครควรต้องใช้ปัญญาไม่ใช่เดินตามใครก็ได้ใช้ปัญญาดูบ้างกน้องเยเอาแต่รเรื่องการเมืองนิกเนนท่านสุเทศถูกประการตัวออกมาใช่ไหมผมก็อ่านไลน์ฉันติด ติดคุกเพื่อเพื่อชาติอ่ะเทวภาษาเนี่ยมีรางวัจลจากอัลลอ์ไหมมีหรือไม่มีไม่มีเลยครับใครสอนคนละ่ะชาตินเนี่ยติดคุกเพื่อชาตินั้นคุราน ม, ม่มีพระธรรมหนึ่งคุรานบอกว่าทำทั้งหมดเพื่อใครอัลลอฮ์อินนาลิลลาฮ ฉันนี่ทําเพื่อ Allah อฉันมาจาก Allah แล้กลับไปหา Allah นี่อัคีดะเห็นยันครับแล้วมุสลิมเราเท่ายครับเดินตามเนี่ยฉันทําเพื่อชาติจะทำเพื่อชาติผิดหมดเลยครับแต่ Allah ยังให้อาไปให้บาตรไปให้ทีดินให้นูนไปนี่เอาไปเพลินกับดุนยาไปลองครับจะอักคีดะผิดน่ะแต่อยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับ แตะนิดหน่อยนะอธิบายให้พี่น้องฟังเพราะบางคนหลงการเมืองจนระทั่ทงทิ้งอิสลามไปเยอะมากครับรอบกตัวเราเนี่แหละอาคนีพอนะอาฟาลาตาลกาูนพวกท่านไม่ใช่ไม่ไข้ครควรดอกหรือพูดในคุอานทั้งหมดสิบเจ็ดครั้งทาไมไม่ใช่ปัญญาทําไมไม่ใช่สมองทาไมไม่ไข้ครควร อลัลลอฮ์ให้ปัญญามาซักอื่นๆปัญญาไม่มีครับแต่อลัลลอฮ์ให้กับมนุษย์อย่างเดียวพอใช้ปัญญาก็จะเจอทางนถาถ้าไม่ใช้ปัญญาก็เจอไซตตอนและไซตตอนนี่มันเก่งจริงๆนะมันสามารถย้อมสมองให้คนเนี่ยทิ้นอิสลามแบบสบายๆเลยไซต์ตอนนี่มันอิทธิพลมันเยอะมากนะมันจูสมองมันล้ามสมองมันสารพัด ทำให้เราทิ้งอิสลามแบบสง่าแบบสง่างามเลยแล้วก็มองดูตัวเองนะั่นน่ะอยู่ในทางนำที่ถูกต้องและยังขวางอิสลาม Islam, ไม่ให้เจริญอีกถูกกีก่บาปเนี่ยถูร่างสมองขวางสุ น, น่านาบีแล้วก็มองตัวเองผิดสามบาปะ่ะมองมอง ต, ตัวเองนี่ น, นดื่มเหล้าทุกวันนะ่ะดื่มของบุญเมาทุกวันมองตัวเองว่า ฉันอยู่ในทางน้ำดีถูกต้องขนาดไหนนะ่นี่เราในขณะลุกขึ้นมาทหารยุทธ์ถูกคืนนี่ยังกลัวนี่มาย่อร้อยจะยไดจะไ ด, ได้ไปสวรรค์หรือเปล่าเนี่ยอะไรชี่น้ำแล้วตะกุนานชื่อน้ำแล้ ว, นนะลวยิ่งทําความดีเยอะยิ่งมองดูตัวเองไม่มีอะไรเลยใช่เลยไม่ใช่แต่คนที่ทิ้งอิสลามนี่มองดูตัวเองเต็มเลยโอ้โหเด็กของฉันนะดีกับของฉันไปรู้ตัวตอนไหน ตอนตายผมจะรู้ว่าในของฉันที่ไหนอ่ะมันจะของฉันสักนิดหนึ่งมีหะดีต์นบีอยู่บทหนึ่งนะครับไอ้นี่ก็ที่ฉันไอ้นี่ก็ตึกฉันไอ้นี่ก็ของฉันท้ายิงไอชาเล่าว่านาบีเคยสั่งห้ฉันเนี่ยเชื่อแทะตัวหนึ่งนางก็เชื่อแทะแล้วก็เอาเนื้อไปแจกแจกแจก พอแจกเสร็จแล้วก็มาเล่าให้นบีฟังว่าฉันแจกเรื่อหมดแล้วนะ่ะเหลือเฉพาะเหลือนะที่คอมันอยู่ที่บ้าน <c oughs> นาบีก็บอกว่าไอช่าเอ๋ยของที่เหลือเนะี่ยไม่ใช่ของเราโออ๋เหรอเห็นไหมของที่เหลืออยู่นะไม่ใช่ของเราเดี๋ยวเรากินไปมันหมดแต่ของที่เหลือก็คือของที่เธอแจกให้ชาวบ้าน นั่นของเราแท้ๆเลยสามารถเบิกเอาชายได้ในวันเตียมะหลังตายปวดสมองอยังวะอับัตนี่คืออิสลามอ่ะมันต้องเรียนมันต้องเข้าใจแค่นั้นของที่เราเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้น่ะหลังตายโวยสิเป็นของใครอ่ะเป็นมรดกหมดเลยถ้าไม่แบ่งกับบาปเองอ่ะเห็นมอ่ะนี่คืออิสลามอ่ะแค่นั้นสะสม สะสมอิมานดีกว่านะสะสมตกวา่าสะสมญะตีสะสมอิคลาสสะสมนมาสะสมสะสมอะไรเนี่ยของดีๆที่อัลลอลอสั่งผ่านนาบีนะสะสมเรื่องดีๆเอาไว้ละดุญยาจะปลอดภยัยอาิึรอบก็ปลอดภัยด้วยต่อมายที่หนึ่งอยห้าิกอัลกุมสุลตานุ ม, มูบิน อัมลาคุมสุลตานุมมบินนี่อัลลอฮ์พูดเรื่องอัคดะผิดๆเนี่ยนะแล้วเอาหลักฐานมาสุนตอมได้ว่าหลักฐาน <c oughs> อัมได้ว่หรือหรือพวกท่านมีหลักฐานสุลตานูบินอันชัดแจ้งที่ว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีลูกสาวเป็นมาลาอิกานะ่ะเอาหลักฐานมา จากคำพีไหนก็ได้เอามาแต่น่าแตกเลยไม่ไดมันีเรื่องเครื่องคิดเองหมดเลยเอาลอมีลูกสาวในคิดเองได้จากประเพณีปฏิบัติจากปูย่ย่าตายายสอนมาเท่านั้นเองเหมือนกับพวกเราวเ น, นี้ยตอนนี้มันก็บเบาไปเยอะนะสมัยก่อนเนี่ยไอหัวจัวเราอะมีมีอะไรมีผ้าแดงใช่ไหม แล้วก็สอนกันถูกด่าไปอะไรไปเป็น น, น่าจะไี้ผเดียผาแจงกัหมดแล้วใช่ไหมนะ่ะอ้าวเบาไปนีใหม่ม า, มาอีกมีเฟซบุ๊กเข้ามาอีกเล่น Facebook จนกระทั่งลืมอ่านกุณอ่านมีแล้วไม่มีใช่ครับแล้วก็วันนี้เครียดเรื่อง Facebook ใช่หรือไม่ใช่ล้ออักบัตอลอ้อทดสอบอยู่ตลอดเวลาลิกลิอุมมัตินฟิดหนะล้วฟิดหน้าเรื่องเงินเองอะ ทุกยุคทุกสมัยอลัลลอฮฺจะส่งฟิทน่ามาสมบัติมามาทดสอบหัวใจ อ, อัลลอฮฺอัลกุบะด์บางทีเรานะนำมาสะอาดเจอลูกอีกอ <c oughs> ลูกไม่นำมาถามว่าคนที่นี่ศาสนานะเครียดหรือไม่เครียดเยด <c oughs> อามบันี้นำมาสะอาดอาลัลลอฮฺทดสอบอย่างอื่นให้แค่เงินน้อย Allah, ตลอดว่าเงินน้อยต้นึกอีกแล้วทาไมต้องน้อยละ่ะฉันนีนนะ้มาได้ขาดเลยนะลูกก็ดีลูกสาวก็เรียนหนังสือดีญาติพี่น้อ ง, อ ก, องก็ดีทําไมเงินน้อยนึกอีกอ่ะพออ่นานคัจจาทีา่สวนอย่างนี้เมื่ออลลอสประทานอะไรให้นะให้ดีใจหนึ่งเวลาอลอสทดสอบให้มีบาละต่างๆ ให้ดีใจทำใจได้ปะนี่ทำาห้ฟังาศาสนาเนี่ยทำใจไม่ได้สักคนหนึ่งนะก้อที่สองเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยให้ดีใจอลัจอลลอฮ์จ้อัลฮัมดุลิลลอฮ์อัลลอฮ์ทดสอบฉันอลัลฮัมดุลิลล์แลภาษานี่หนักนะให้ให้ดีใจอัลลอห์ักวัด้ฟังาศาสนาเลยเนีย่ยคมจะดีใจเหรอเงินน้อยดีใจเหรอสองป่วยดีใจเหรอ มีปัญหาเข้าวมาในครอบครัวจะดีใจไหมถ้าไม่เรียนศาสนาจะจะโกรธหมดเลยแต่พอเรียนศาสนา ด, ดูสุนัขนบีเป็นแบบอ่ะอา้าวถามว่านาบีเบบัดมีพระญาคือหญิงอาชาชาหรือไม่ใช่พระญาชานเคยถูกด่าไหมช า, บ า, าวบ้านด่าเป็นอะไรเป็นหญิงโซเฟเน่อโอลโลเบบัดไปไ ป, ไปชู้อ่ะไอ้แม่มันครอบครัวนบีถูกขนาดเนี่ยถามว่า นบีจะเสียใจเปล่าแล้วท่านอบูบักน่ะก็ใหญ่จัามากลูกสาวถูกตําหนิก็เป็นชู้เนี่ยท่านเสียใจเปล่าเห็นยังครับนี่ครอบครัวนบีทาไมต้องเรื่องอย่างนี้เกิดกับนบีเพื่อสอนพวกเราวันนี้ว่าเองถูกแน่ๆถูกคนละอย่างละอย่างละอย่างไม่เหมือนกันฉะนั้นเรียนอีหมานอย่างเดียวกันทั่วโลกตักวาอย่างเดียวกันทั่วโลกนะครับ ยากรีนอย่างเดียวกันทั่วโลกยาซานอย่างเดียวกันทั่วโลกแต่บาลาแต่ละอยา่างไม่เหมือนกันนี่เป็นการสอนเตือนเราตลอดเวลา อ, ล อ, ล อ, ล อ, ลอัลลกุมซุลตานุมูบินหรือท่านมีหลักฐานอันชัดแจ้งกันนั้นหรือนํามาเออเห็นไหมอักขีดต้ต้องต้องต้องตอง้ต อ, งตองสะอาดนะชิดอัลลอฮฺเยืะเรอซุนนะข้อที่157 ฟะตุบิคิดะบิคุมอิงคุณตุมซอดีทีนฟะตูบิคิดะบิคุมอิงกุณตุมซอดีทีนฟะตุบอกว่าดังนั้นจงนําจงนํามาจงนํามา กิตาแปลว่าคำภีจงนําคัมภีของท่านที่บอกว่าอาลัลลอฮ์มีลูกสาวหรือนบีอิสาเป็นลูกท่านน่ะนำนำหลักฐานมาโชหน่อยอิงกุนตุมซอเดียกตินที่พวกท่านถ้าหาพวกท่านคิดว่ามันเป็นความจริงแล้วก็เอาหลักฐานมาโชหน่อยให้โชนบีมนะุฮัมมัดอ่าให้โชให้โชนบีไปเอาหลักฐานมาเล่าให้นบีฟังนี้เหลักฐาน ว่าอัลลอฮ์มีลูกสาวเป็นมาลายกานาบีอีสซาเป็นลูกชายอัลลอฮ์จะมาล่ะแล้วโต๊ตะเกียบเนี่ยไปหาได้เอาหลักฐานมาอาสมุนอาสมัดพวกเรายึดยึดกันอยู่นนะหมอดูงหมอดูนี่นะเอาหลักฐานมาว่าถ้าไม่เอา Allah, อัลลอฮ์จะเอาอัลลอฮ์ด้วยเอาโต๊ตะเกียด้วยเอาอาซิมัดด้วยเอาหมอดูด้วยเอาดาวด้วยเอาดวงด้วยโอ้โหพี่น้องจะแต่งงานก็ต้อง ก้าโมงต้อง9นาทีอ nah. ีกเนี skulle, <c oughs> ่ยเอาหลักฐานมาเอาหลักฐานมาในการต่อยาถ้านนำมาไม่ได้เลิกซะถ้าไม่เลิกเอ็งสะสมความชั่วตลอดตลอดตลอดจนกว่าจะตายเท่าไหร่บาปเท่าไหร่นี่เป็นต้นต่อมาข้อที่หนึ่งร้อยห้าลูบแปดวาจนหูวาไยนัลจินนาตินาซาบา ว่าจะลูบนั่ห์หัวเบนั่จินนตินาสเบะขยานี้มีอยู่ศัพ์อยู่คำหนึ่งจินอ่าจินจินจินนี่เป็นมรคลูกใช่ไหมเป็นสิ่งถูกสร้างเหมือนอะไรเหมือนมนุษย์อัลลอฮ์สร้างจินมาสร้างมาลายิกะมา สร้างคนมาแล้วก็สร้างสตรตอนมาสี่มักคลูกสามมคลูกนั้นมองไม่เห็นตัวแต่มนุษย์เห็นตัวเล่าให้นบีประมาดฟังที่กะฟีฟฟฟฟฟฟคุณอ่านสร้างมาลายิกาอาลัลลอฮ์เล่าเองนะเป็นจากรัศมีสร้างมาลายิกาจากรัศมีมองไม่เห็นตัวอยู่แล้วสร้างสตรตอนจากไฟมองไม่เห็นตัว แล้วก็สร้างยินมาจากเปลวไฟเห็นตัวไหมไม่เห็นแล้วก็สร้างมนุษย์มาจากสารดินนี่ความสามารถของมันเลยเดี๋ยวนี้นะคนกาเฟตในเมืองไทยเราเนี่ยนะแม้แต่มุสลิมนะเคารพยินเยอะมากเลย ในกุรานสั่งนะครับอย่าเอายินมาเป็นที่พึ่งแต่เอาใครเป็นที่พึ่งอลัลลอฮฺอย่าทำเพื่อชาติให้ทาเพื่ออะไรทํ้เพื่ออัลลแต่นิดๆก็ดได้เข้าใจง่ายยังไงมืนให้ทาเพื่ออัลลอให้หมดแล้วก็คนในสมัยนบีฟสาสัมนบีมูซาเนี่ยมูซามาสอนนะเพราะว่า พวกฟาโร่เนี่ด้วยพระนามของฟาโร่เขายึดฟาโร่เป็นพระเจ้าเลยเห็นยังครับอลัลลอฮฺเมตานะงนบีมูซานแ ล, ลื่อนสนาอย่ายึดฟาโร่เป็นพระเจ้าไม่ได้อย่นี้เป็นต้นนีแ่แตะเล็กๆนะ้อยๆเพื่ออธิบายคุร า, านในย่านนี้ว่ า, า, ายะฮฺลบนาหูแตะพวกเขานั่น อ้างนะซับแปลว่าสายสัมพันธ์นะซาบาแปลว่าสายสัมพันธ์พวกอา랍มุสลิบในนครมักกะอ้างว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีความสัมพันธ์กับใครครับว่าใบาน้ายินเนี่ยกับยินด้วยอเห็นยังครับความจริงอัลลอฮ์น่ยสาร้างยินมาแต่ไม่ใช่เป็นลูกอัลลอฮ์ น บ, บีอีสาลก็มาใช้ลูกอัลลอฮ์มลาอิกาก็มาชมาลายกาิกกับยินเขามองเป็นกลุ่มกลุ่มนะั้นกลุ่มเดียวกันแต่ว่านะะทีนี้ยินเนี่ยพี่น้องครับพวกเรานี่ถูกหลอกละยินนี่มองไม่เห็นตัวแต่เชื่อว่ามีไหมมีเรียกว่าผีกนนี่บางคนนี่ยอ่ยอยอ่ยอย่อผมเล่าเอง เมื่อสี่ห้าสิบปีที่แล้วมีเครื่องอะไรนะเครื่องใช้ไฟไม่มีนะใช้เครื่องอะไรนะเครื่องปั่นไฟนะเขามีงานวันนั้นมีงานงานได้สักอยากนะ่างหนึ่งเครื่องปั่นไฟในี่มันดับแก้เท่าไหร่มันไม่ติดเป็นเบโตะแก่ๆมามึงจะทำอะไรไม่ขอเจ้าที่เจ้าทางก่อน ยอดพงบอกว่านี่มันที่ฉันนะมาให้ฉั น, ฉนโฉนดชื่อฉันต้องขอกายอยิงล้วมึงอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยมาถึงเจ้าที่อยอดเรารู้แล้วว่ามึงอะไรกันเนี่ยนี่จะเครื่องให้มันเนี่ยเนี่ให้มัแล้วก็ติดตดมาเอ็งต้องขอเจ้าที่ก่อนนะมาถึงยินอ่า มันเหมือนคนอาดับสมัยนบีมูฮัมหมัดมาใหม่ๆก็เชื่อยินเป็นเจ้าที่เหมือนกันทําอักขิราชผิดได้ไหมผิดผิดครับอังกุ๊อารว่าไงครับคอนราบอัลลอฮ์นะนะทั้งหมดเหล่านี้เป็นของใครเป็นของอัลลอฮ์แผ่นดินเป็นของอัลลอฮ์เจ้าที่ไม่มีเจ้าที่คืออัลลอฮ์นุ่นชั้นฟ้าเป็นของอัลลอฮ์มนุษย์หยุดตาการดูแลของอัลลอฮทุ่งหญิงทุ่งหยาเป็นของอัลลอฮ์หมดเลยแต่อักขิราชมันเพี้ยนใช่ไหมจ๊ะ นี่ไงถึงได้ส่งนบีมาสอนเพราะคาวันนี้พวกเราม斯林เนี่ยยังเชื่อเจ้าที่จะทางมีไหมมีครับไม่ใช่หมดเลยนะแต่คนที่ฟังศาสนามันก็ค่อยๆทิ้งไปค่อยๆทิ้งไปค่อยๆทิ้งไปนี่ไงเจ้าที่เจ้าที่เอาลอร์ดีบาบางคนโทรศัพท์มาฉันลุกขึ้นน้ำมาตระหยุดนี่ประตูมันเปิด เจ้าที่แรงมากเลย น, น, น, นั่นะยินชายตอนะมดนนน่ะมาหลอกคุณนะ่ะถ้าคุณใจไม่ไม่ผูกกระพันกับอลอนะ้นั้นเลิกนะมานะ่ะเฮ้ยไม่ได้เสียวโวยขนลุกเลยย <laughs> ินเรามองไม่เห็นตัวมาลายก้าวมองไม่เห็นตัวชายตอนเรามองไม่เห็นตัวอแล้วก็นบีเล่านะถ้าจับมันจะสแสดงให้เห็นมันจะมาในรูปของหมาอืมเห็นยังชัดเจนยัง จะมาในรูปของสุนัขของงูบ้างอย่างเนี้ยทางงูเข้าบ้านท่านมันอยู่ในบ้านท่านเนี่ยเมื่อเห็นงูเลื้อยอยู่ในบ้านเนี่ยนบีสอนเลยนะให้บอกอย่างนี้ออกไปซะถ้าสามวันไม่ออกแสดงว่าเป็นงูถ้าหากเป็นยีนหรือเป็นอะไรนะเป็นเป็นชัยตอนน่ะมันก็จะออกภายในสามวันมันจะเลื้อยออกไปเองมันต้องต้องพูดนะ ออกนะให้เวลาแค่สามวันนะท่านชาตอนครับดนบีเล่าให้เราฟังอนะฉะนั้นเรื่องอะกิดาอย่างนี้มันจะเป็นความลับเชิงเหมื่อถ้าหากเราไม่อ่านกุรานไม่ฟังอ่าเรื่องอุลมอฮ์พูดเลยนะเราจะไม่รู้เลยโอ้ยินก็ใชาตอนเป็นยังไงมาลายกาเป็นยังไงอย่างนี้เหมืนอนต้นจานี้หัวใจของมนุษย์เนี่ยมาลายกาเนี่ยมาอยู่กับผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทุกคน แล้วชายตอนก็นมาด้วยนะสังเกตนะเวลาเรายืนน้มาดเนี่ยนะชายตอนมันจะเอามือมารูบหลังพอรูบหลังมันก็เพลินนะ่ยนะเพลนึกครั้งแรกกูอาบน้ําน้มาดเป่าวันกูอาบน้ำ น, ำนำมาดปล่าวะ อ, าาาอ่าอ่าขที่หนึ่งนะจะมาในรูปนี้ อ, อาบแล้วอาบแล้วนึกโอ้อาบแล้วนั้นำมาดนะ อ๋อเมื่อกี้นี่เข้าห้องน้ำแล้วแปลงฟันเรียบร้อยแล้วอ่ามันมาอัดสบาใจไปมันก็มาลูกต่ออีกรอกอัดที่สองที่สามมาลูกต่ออีกไอ้เ ก, กี่ยเราก็ อ, อัดตัวนี่อิทพลไตตอนหมดเลยตอนนาน้นื้นเบียแเราฟังไงยังครับมันมาแบบนมาแบบเงียบเงียเงีเงยนิ่มนมันมาือมาลูกหลังรู้แล้วไอ้เกี้ยอัดเราจาดีหัวสมองดีอะไรดี อาเชตอนมันก็แพรเรื่องที่สามมันมาอีกมาเอามือมันรูปหลานรูปหลั ง, ล ห, ลงหาวนี่นบีเราเองนะพอหาวปั๊บบางคนหาวตามสุน่า น, นาบีก็เอามือปิดปากอานาอุสบิลาเชตอนไม่กล้าเข้าบางคนหาวไม่เป็นอ้าปากกว้างเลยอ๋อฮะเชตอนเข้าปากเลยอย่จะนี้เห็นยังครับนี่นบีสนอนให้เราฟังฮะท่านเชตอนน่ยมันกำจะประกบ อยู่ตลอดเวลาประกบกันประกบคนแข่นี่แหละไอ้คนกาเฟ่นี่ยมันต้องประกบรอกเรียกมันมาอยู่แล้วเปิดเพลงดังๆในบ้านมาหรือไม่มาชาตตอนขึ้นรถไม่อ่านดอามาหรือไม่มาเห็นยังครับนอนกับภรรยาไม่อ่านดาวงชาตอมาทันนอนด้วยอะเห็นยังอัลลอฮ์ไม่ให้เห็นทั้งหมดนี่นะแต่เอ็งเชื่อหรือเปล่าว่ามีมีอัลลอฮ์อยู่มีมะไรากะอยู่ คอยให้กำลังใจพวกเราตลอดเวลาฉะนั้นที่เรามานั่งนั่งอ่านตัปซีตได้ที่มัสยิดเนี่ยน่งเป็นชั่วโมงนะทำไมนั่งละเบื่อเมื่อยบ้างอะไรบ้างไม่มีปัญหา mm hmm. เพราะมะลิกาคอยดูอาให้เราอยู่ฉะนั้นให้มลิกามาอยู่ใกล้เราดีหรือให้ชตอนมาอยู่ใกล้เราดี <c oughs> เรีอกมลิกาเธอท่านมีน้นําละหมาดเอาไว้ถ้ามีน้ำละหมาดเป็นตัวช่วยนะ ไม่ให้เชตตอนมาอยู่กับเราชิดเราอาทีนี้ย <c oughs> ินนะกระจายนะว่าจะเอาลูกไปนะฮู้ว่าไปนั่งยินนัดทีนัสซาบะพี่น้องอย่าเอายินมาเป็นเพื่อนไม่ได้นะให้อเมาิกามาอยู่กับเราเยอะๆให้ขอทุงอาต่อโลอเยอะๆนะพี่น้องนะเอาต่อมาอายาที่เท่าไหร่ อายะที่หนึ่รอยาสิปว่ล้ก็ด้อาลิมาติลจินนทูอินนั่มละมุฮดารุนว่ล้ก็ด้อาลิมาติลจินนทูอินนั่มละมุฮดารุนอัลลอฮฺอัลลอฮเล่าให้นบีฟัง ยินนี่นะมีความรู้น ะ, ะดูกุวันละกอ็อัลิมัตอัลิมัตแปลว่ารู้แท้จริงนี่นะยินเนี่ยรู้ดีว่าวันละกอ็อัลิมัตอลัอลยินนะตูแท้จริงแน่นอนยิง่งพวกยินนั้นรู้ดีว่าอินนาฮุมแท้จริงพวกมัน ละมอฮบรูนจะถูกนำมาอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์เขาสอนกันในกลุ่มยินอย่นยังครับในกลุ่มยินมีอาเลมอัลละมาด้วยนะยินมีสองกลุ่มยินที่ไม่เอาศาสนาแบบพวกเรานี่แหละไม่เอาศาสนาเลยอยู่สบายไหมสบาอีกแบบหนึ่ง ยินอีกกลุมหนึ่งเอาศาสนาทั้งสองนี่นะ่ะรู้หมดว่าตายแล้วต้องฟื้นแล้วก็บอกว่าว่าลราก็อาริมัชอัลยินน่ะยินทั้งหมดเนี่ยรู้ดีว่าอินนหูละมัวบารูนพวกมันจะถูกนำมาอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ในวันติยมะเห็นอย่างน้นครับ จะบอกว่ายินเนี่ยดีกับคนกาแฟใช่หรือไม่ใช่คนกาแฟสบรรเราเนี่ไม่รู้เลยว่าตายแล้วต้องฟืน้นใช่ไหมตายแล้วตายเลยเอา้าเทียบกันดูนึกดูโอ้โหยินมันรู้ไงแล้วใครเล่าเนี่ยอลัลลอฮ์เล่าให้ฟังอนะ่ะเล่าให้นบีผู้มัทฟังยินมันรู้นะว่าตายแล้วต้องฟืน้นฟื้นแล้วก็ต้องไปยืนอยู่ตอนหน้นอาอัลลอฮ์ใช่ไหม แล้วก็พวกเราเนี่ยเมื่อเราเนี่ยทั่วโลกเนี่ยคนกาเฟแนะนํารู้เปาว่าตายเราฟืนไม่เชื่ออยู่แล้วเอาใครดีกว่านึกเองนึกเองนะนึกเองปิ๊มังกรบะอธิบายกันเองก็แล้วกั น, นะะตกลงว่า <c oughs> ตายเราฟืนเ <c oughs> ห็นไหมยอย่าลืมนะตายลราฟืนลรถจะให้รางวัลตอน หลังๆตายหมดเลยนะพอฟื้นขึ้นมามีมีมมรางวัลด้วยแล้วก็ทําไม่เตรียมตัวเอาไว้ก่อนแล้วเป็นไงเจออะไรนั่นต้องเตรียมตัวไว้เตรียมมาไว้เตรียมตัวเอาไว้เตรียมตัวอาไว้เตรียมตัวไว้นะอย่าทําตามใจตัวเองอายะห์ที่หนึ่งห้าสบเกซุบฮะนัลลอฮิอัลมายาสีฟูนิชมอัลลอฮ์อัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังทุกเรื่อง อัลลอฮ์ก็ บ, บอกนบีให้นึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆให้ว่ายังไงสุบฮานุลลอห์มหาบริสูตรยิ่งแต่อัลลอฮ์เมื่อเข้าใจาาศาสนาแล้วให้ว่ายังไงสุบฮานุลลอห์นั่งว่างๆกับสุบฮานุลลอห์นั่งอยู่บนรถกับสุบฮานุลลอห์พยายอยู่ในครัวสุบฮานุลลอห์ว่าเป็นร้อยเป็นพันได้ไหมได้ ทำให้สติปัญญาเราดีสุขภาพแข็งแรงด้วยอันสุภาโนโ ล, โลเยอะๆอา ม, มายาสีฟูนพ้นจากที่พวกเขากล่าวอ้างอัลลอ์ไม่มีลูกคนมุชริกคนกาเฟจะอ้างอัลลอ์มีมีลูกสาวเป็นผู้หญิงหรือเอายินมาเป็นอะไรก็ตามแต่แมันอ้างกันไปเถอะหน้าที่อัลลอ์นั้นไม่ยุบแม้แต่นิดเดียวนิพสอนพวกเรา จะดา่าอัลลอฮ์ขนาดไหนเอาดา่อาอัลลอฮ์ก็ด่ากันอย่างนี้ร้อนบุยนี่มุมินเขาไม่ให้พูดแบบนี้ร้อนว่ะนี่ตำีหน่งนี่ฝนตกมาเนี่ยเพราะว่าดาวอะไรอะดาวมันผ่านมานี่ก็ดา่าอัลลอ์อยู่นะ เห็นยังครับการด่าอัลลอ์เนี่ยบน่บนนะล่าบ่นนะนั่นมีปัญหาอนี้ปบน่นบ่นเขาห้ามบน่น <c oughs> ถ้ามีปัญหาทาอะไรครับให้พึ่งกับอัลลอฮ์องเดียวถามมราบีถูกดา่าตอนไปอะไรใเมืองตออิฟมันมีบ่นเปล่าไม่ได้บ่นสักคำนึงอนะ่ะให้อภยัยให้อภยัยให้อภยัยให้อภยัยอสซบฮนลอละมหาบุรจยิงแด่อัลลอ ให้พ้นจากที่พวกเขากล่าวอ้างนะครับเราต้องไม่กล่าวอ้างแบบคนกล่าวเฟนอะิลลอาอิบะดอัลลอฮิลมุคลอซนอิลลาอิบะดัลลอฮิลมุคลอซนคนที่ไม่ต่ำนิอัลลอฮ์เนี่ยนะคนที่ไม่พูดอะไรไม่ไม่ดีกับอัลลอฮ์ในมิยุกลมเดียวในโลกใบ น, นี้ครับกลุ่มไหนรู้ไหม อัลมุคลานคนที่มีหัวใจสะอาดคนที่เป็นบ่าวอัลลอ์อิลลาแปลว่ายกเว้นไอบาดัลลอฮ์ปวงบ่าวของอ al ัลลอฮ์อัลมุคลาสินผู้มีหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์จะชมอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาเห็นยังครับนอน oh. ไม่หลับมต้องไปกินยานอนหลับราบปนองอ่านดวง Allahu magharatin ujum bahdaatil ruyum anda hayun qiyum لا تأخذك سنط ولا نوم وحد ليلي وألم عيني يا ดารุปพ่อแม่บางคนเนี่ยเลี้ยงลูกไม่เป็นดาและลูกก็ศาสนาไม่เรียกดาแม่กลับไปอีกบาปทั้งสองคนเลย นิ่งๆไม่ได้หรอพูดดีๆลูกจานมารนะแตะกลนคืนลรกขึ้นนมารพระยุทธเราขอดุอาให้ลูกให้หลานให้สามีถ้าสามีขึ้นให้ภรรยาขอพี่น้องเรื่องเรื่องด่าไม่มีตะโกนเสียงดังเนี่ยไม่มีในอิสลามใช้ตอ้อนหมดเลยเ เพราคุณอานสั่ง น, นละลาตอสเฝาอัสวะตะคุมเฝ้ากะเซ้าติาาตนนบีอยา่าตะโกนเสียงดังเสียงกว่าสูเสียงสูงกว่าเสียงนบีเห็นยังครับเดินผ่านเนี่ยกูโบนนบีห้ามพลท่านทรงเสียงดังนะเห็นยังนั่นเวลาก่อนจะไปทำฮัทไปทำอมรอต้องเรียนก่อนไปบนที่นครมักกะยังพอทนได้นะ เอ็งไปบนที่นครมาดีนะเอีกเจอเลยนะดะนั้นอย่าบนเยอะติดนิสัยอย่างประเทศไทยนะบนทุกเรื่องอ่ะชายชนะกว่าบนมั้ยเจ้าเอติดไอ้เงินที่แจกเงินกันแน่น่ะผมไม่เคยได้ครับละห้าลเด็ดเดี่ยวนะทุลังทุลังแว่ง คนที่มีอัคราชงามมารยาทงามไม่ตําหนิอัลลอฮ์ไม่ด่าอัลลอฮ์ไม่บ่นลูกตัวเองไม่ทะเลาะ ก, กับคนอิบาดัลลอฮิมุคลาซคนที่มีหัวใจสะอาดต่ออัลลอฮ์เท่านั้นแหละที่จะวางตัวแบบนบีมูฮัมมัดแบบสร า, าบ Allah, านนบีอัลลอฮ์เป็สง่างามขนาดถูกด่าตอบนั้นไม่ตอบไม่ตอบนั่นงยินมยสง่างามไหมมีคนถามว่าสามีขี้เหนียวทําไง นบีบอกว่าสามีขี้เหนียวเนี่ยให้หยิบเงินเฉยๆไม่บาปมีบาปมีครับคนสมัยนบีขี้เหนียวมีไม่มีที่ให้นบีเห็นก็จะอธิบายใพวกเราฟังว่านี่ไงฉะนั้นภรรยามีสองแบบแบบขี้เหนียวนี่ก็ต้องเขาก็ให้ที่จาเป็นจําเป็นสามีต้องมีศาสนาด้วยนะ แล้วก ha, um ah mm ็ถ้าสามีขี้เหนียวนะไม่ให้บอกภรรยาหยิบเฉยๆไม่ได้ว่นรักนัอยู่เฉยๆดี่มนดเวลาับสุานกัลลอฮุมาอบิฮัมดิลลฮิลลาห์อิลลัลอันตะอัตัฟรกะตบะุฮมัวลลาฮอะลัััอะลอ